ธรรมบทแปลเรื่องอนาถะบินทิกะเศรษฐีภาคที่หเรื่องที่98พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรบารมเศรษฐีชื่ออนาถะบินทิกะรัะพระธรรมเทศนานีวา้ว่าป่าโปปิปัสติพัตตรัง ยาวะปาปังนะปัจจติยะธาจะปัจจติปาปังอัฏปาปานิปสติพตโตรปิปสติปาปังยาวะพตรังนะปัจจติยะหาจะปัจจติพตรังอัฏพัตตรานิปสติแปลว่าแม้คนผู้ทำบาปยอมเห็นบาบ ว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปผลิตผลเมื่อ น, นั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทํากรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี ตอนท่านเศรษฐีบำรุงพิสษุสามเณรเป็นนิสความพิสดารว่าอนัตถะบินทิกาเศรษฐีใจทรัพย์ตั้ง54โกดในพระพุทธศาสนาเฉพาะมิหารตนนัน้เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันก็ไปสู่ที่บำรุงใหญ่สามแห่งทุกวัน เมื่อจะไปคิดว่าสามเณรก็ดีภิกษุหนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยนึกว่าเศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้เศรษฐีนั้นก็ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลยก็เมื่อไปในเวลาเช้าให้คนถือเข้าต้มไปบริโภคอาหารเช้าแล้ว ให้คนถือเพศัตว์ทั้งหลายมีเนยใสในค้นเป็นต้นไปในเวลาเย็นก็ให้ถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลและผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิดทีเดียวในการต่อมา เศรษฐีย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์ทั้งพวกพานิ์ก็กูนี่เป็นทรัพย์18โกดจากมือเศรษฐีนั้นเงิน18โกดแม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังเพราะน้ำซาะก็จมลงอย่างมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้น ได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้เศรษฐีแม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายทำให้ปณีตได้ในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อพระศาสดารับสั่งว่าเครบดีก็ทานในตระกูลท่านอย่างให้อยู่หรือ เศรษฐีนั้นกลัาตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระงองค์ยังให้อยู่ก็ทานนั้นใช้ข้าวปลายเกลียนมีน้ำส้มปูะูมเป็นที่สองพชาาุชค่าตอนเมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นกองเลวที่นั้นพระศ า, าสดาตรัสกับเศรษฐีนั้นว่าก็าดีประดี ท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้วท่านที่บุคคลถวายแด่พระอรันทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมงย่อมไม่มีกระบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยะบุคคลทั้งแปดแล้ว ส่วนเราในการเป็นเวลามะปรามนั้นกระทำชาวชมพูพทวีบแต่สิ้นให้พักไถานาอย่างมหาทานให้เป็นประยชนไม่ได้ทักกินเนียบุคคลไร่ไรแม้พูดถึงซึ่งไตราสารนคมชื่อว่าทักกินเนียบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนนี้ประเหตุนั้นท่านอยากคิดเลยว่า ทานของท่านเศ้าหมองและได้ตรัสเบละมะสูตรแก่เศรษฐี น, นตอนเทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาคครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระศาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้ พระเดชแห่งพระาศาะะสดาและพระสาวกเหล่านั้นเทวดานั้นมีความคิดว่าพระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใดเราจะยุโยงเครือบดีด้วยประการนั้นก็แม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรๆในการที่เศรษฐีเป็นดีศระ ก็มีความคิดว่าก็ในบัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจะเชื่อฟังคำของเราเทวดานั้นในเวลาราตรีจึงเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่านั่นไกลเทวดา มหาเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเศรษฐีเทวดาถ้าเช่นนั้นเชิญท่านพูดเดถิดเทวดามหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลยใจทราบเป็นันมากในศาสนาของพระสมณโคดมบัด น, นี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้ว ก็ยังไม่ละการจ่ายทราบอีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จะไม่ได้แม้วัตถุจักว่าอาหารและเครื่องนุ่งหม่มโดย 2-3 ถึงวันแน่แท้ท่านจะต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดมท่านจงเลิกการบริจาคเกินกำลังเสียแล้วประกอบการงานทั้งหลายรวบรวมสมบัติไว้เถิดเศรษฐีนี้เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือ เทวดาจ้ามาเศสเตตีศเตตีไปเถท่านข้าพเจ้าอันบุคคลผู้เช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจให้วันไหวได้ท่านกล่าวคําไม่สมควรจะต้องการอะไราด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆ เ, เดี๋ยวนั้น ฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยาสาวกแล้วไม่อาจจะดำรงอยู่ได้จึงพาตารกทั้งหลายออกไปก็แลกรันออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่ในที่อื่นจึงมีความคิดว่าเราจะให้เศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร แจ้งความปิดที่ตนดำแล้วกล่าวว่าเชิญมาเถอท่านขอท่านจงนำข้ า, าพเจ้าไปยังสานักของเษตีให้ท่านเษตีอดโทษแล้วให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าเทพบระบุห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้ า, าพเจ้าไม่อาจไปยังสานักของเษตีได้เทวดานั้นจึงไปสู่สานัก กองท้าหมาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าท้าส ก, กะเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วได้ทูลวิงบอลอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวโรคเริรนหาที่พึ่งไม่ได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ตอนท้าวสักกะท่งแนะนําอุบายให้เทวดาคราวนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทวดานั้นว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับเศรษฐีพระเหตุแห่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึง่งเทวดาดีล ะ, ทะเทพเจ้าขอพระองค์ทรงกรุณาตรัสบอกเถิดท้าวสักกะไว้แต่ท่าน จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือคือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีแล้วนำไปให้เขาชำระรับย์18โกรดที่พวกคาคายถือเอาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าทรับอีก18โกรดที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีทรับย์18โกรด ส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของมิได้มีอยู่ในที่ฝั่งโน้นก็ดีแต่ จ, จงรวบรวมทราบทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐีรั้นทำกรรมชื่อ น, นี้ให้เป็นธันตกรรมแล้วก็ขอขมาโทษเศรษฐีตอนเศรษฐีกลับรวยอย่างเดิมเทวดานั้นรับกรรมแล้ว ได้ทำกรรมทุกๆอย่างตามนัยยะที่เท้าส ก, กับอกแล้วนั่นแหละอย่างห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีให้สว่างแล้วได้ดำรงตนอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีถามว่านั่นไครเทวดาวนั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันตบาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านคาใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว ในสนักของท่านด้วยความเป็นอันตป า, าลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำธนตกรรมด้วยการรูปรวมทรัพย์บโกดมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของท้าวสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากพระนารถาบินทิกาเษตีคิดว่า ทวลานี้กล่าวว่าันกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และรู้สึกโทษความผิดของตนเราจะแสดงเทวดานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสตียนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทำแล้วทั้งหมดเทวดามอบลงด้วยเสียงกล้าวแท่พระบาทยุคนแห่งพระศาสดา กราบตูนว่ากคาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันดพานขอพระองค์ทรงงดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้วจึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังตอนเมื่อกรรมให้ผลคนโง่จึงเห็นถูกต้อง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 ย่าวะปาปังนะปัจจติยะตาจะปัจจติปาปังอัตตาปาปาณิปัสสติพัตโตปิปสติปาปังย a าวะพัต n รังนะปัจจติยะตาจะปัจจติพตรังอัตตาพัตตรานิปสติแปลว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดี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 คนผู้ทำบาปในประกาศานั้นก็บุคคลแม้นั้นเมื่อยังสวยสุขอันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งสุจริตกรรมในบางก่อนอยู่ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดีก่อที่ว่ายาวะาป่าปังน้ปัจจติตแปลว่าตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลหมายความว่าบาปกรรมของเก่านั้น ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปริยภพเพียงใดผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปกรรมของเก่านั้นให้ผลในปัจจุบันหรือในสัมปริยภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปนั้นเมื่อเสวยกรรมกรต่างๆในปัจจุบันภพและทุกในอบายในสัมปริยภพอยู่ ย่อมเห็นบาปว่าชั่วทายเดียวในพระกาาที่สองพึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้บุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนทำกรรมดีคนทำกรรมดีแม้นั้นเมื่อเสวยทุกข์อันเกิดด้วยอนุภาพแห่งทุจริตในบางกรย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วข้อที่ว่า ยาวะพัตรังนะปัจจติแปลว่าตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลหมายความว่ า, วากรรมดีของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมประะิภพอย่างใดคนทากรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีนั้นให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีนั้น เมื่อเสวยสุขที่อิงอมิตรมีลาบและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันภพและสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพย์ในสัมปริยภพอยู่ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้ในการจบเทศนาเทวดานั้ น, นำลำรงอยู่ในโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แล เรื่องอนาตตาบินทิกะเศรษี